สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ขนวัวลุกที่โรงแรมจิ้งหลีดแห่งหนึ่งสมัยหนุ่มผมได้ชื่อว่าเป็นนักเที่ยวชา ก, าากการคนหนึ่งในฐานะเด็กกรุงเทพตัวจริงเสียงจริงก็คือเกิดที่นี่และเรียนหนังสือจนโตเป็นหนุ่ม อายุต้น30สก็ตะลอนตะลอนอยู่ในเมืองหลวงนี่แหละครับต่างจังหวัดนานๆถึงจะโผล่ไปเที่ยวสักครั้งบ้านช่องที่มิชัยห้อยหออยู่ถนนสงวาดครับแถวราชวงศ์หรือเยาวราชนี่ถือเป็นบ้านตัวเองเพราะย่ำเป็นเทือกจนทะลุ ป, ปลูกโปร่งเติบกล้าเข้ายิ่งมีเพื่อนฝูงเยอะแยะ เลยได้ไปเที่ยวถึงตอกเตาตอกโพยันโรงหมูตอกสลักหินหัวลำโพงที่มีคุณตัวสมัยนั้นเรียกผีเสื้อลาตีคึกคึกใครว่าแถวนั้นนักเลงเยอะคงไม่จริงมั้งครับกเ็เพื่อนผมล้วนแต่นักเลงเรียกพี่จะเข้าตรอกไหนซอยใดไปยันรองเมือง หรือข้ามฟากไปสะพานเหลืองบอกได้คำเดียวว่าหายห่วงจริงๆสมัยนั้นถือว่าเป็นแหล่งกินเที่ยวและเล่นนะครับไม่ว่าใครชอบอะไรเป็นมีสนองทุกอย่างโรงแรมใหญ่ๆอย่างไทเป22กรกฎาคมคึกคักแทบทั้งวันทั้งคืนโรงแรมเล็กๆอย่างไมตีจิต สันติภาพแล้วก็อีกหลายโรงแรมก็ดาดเดือนเต็มไปหมดรวมทั้งโรงแรมไร้ชื่อตามซอยแคบๆ ข, ขนาดพอเดินสวนกันได้บันไดขึ้นก็อยู่ติดกับทางเดินนั่นเองสนใจเลี้ยวขวับขึ้นไปได้ทันทีไม่ว่าบนวงเวียนหรือตามโรงแรมจิ้งหรีดที่ว่า จะมีผีเสื้อราตีมาคอยล่าเหยื่อหนาตาประมาณว่าไม่ต่ำกว่าร้อยคนขึ้นไปต่อมาเรียกว่าผีเสื้อราดีไม่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะพวกเธอเดินสายอกบิดสะโพกตอนกลางวันก็มีนักเที่ยวเรียกกันว่ารอบเช้ารอบค่ำไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับรอบเช้านนาราวแปดโมง ก็มายืนเร่สอดสายสายตาหายเหยื่อกันแล้วราวสีห้าโมงเย็นถึงจะหายหน้าไปคราวนี้ก็ถึงเวลาของพวกรอบคำ่ำออกมาครอบคลองพื้นที่แทนไปจนดึกดื่นค่อนคืนพวกนักเที่ยวล้วนยืนยันตรงกันว่ารอบเช้าขาวสวยหมวยอึ่มกว่ารอบบ่ายแต่ทุกคนจะถือถุงโชคดี เป็นเครื่องหมายการค้าพวกรอบเช้ามักจะมาจากที่อื่นแต่พวกรอบเย็นส่วนมากเชาห้องโรงแรมจิ้งรีดอยู่ต่างบ้านไปเลยอะไรก็ไม่น่าสนใจเท่ากับรุนพี่ที่พาผมขึ้นไปดูตัวตามห้องเลยเพราะสนิทกับหลงจูและสาวๆที่เช่าห้องอยู่ถาวรบางวัน เราก็นึกขลึมไปเปิดห้องโจ้เล่าคุยกันเรื่องบา้บาๆบอๆตามภาษาขาเมาผมเคยเมาจนไม่อยากกลับบ้านขอนอนค้างที่นั่นเลยคืนแรกก็เจอดีเข้าเต็มเปาเลยล่ะครับคืนนั้นเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วผมก็หลับสนิทอยู่บนเตียงเก่าแก่ไม่ต้องมีมุ้งแบบก่อนเพราะมีมุ้งลวด ตามยุคสมัยไม่แน่ใจว่ากำลังตกอยู่ในความฝันหรือลืมตาตื่นกันแน่เมื่อได้ยินเสียงลากเกี้ยโกรกหลากไปมาอยู่หน้าห้องตามด้วยกลิ่นแป้งน้ำฉุนเฉียวสะกดคำว่ารู้สึกพร่ามือนอย่างประหลาดเสียงทุบประตูดังขึ้น 3-4 ถึงครั้งผมอยากจะร้องถามว่าใคร เลยลุกไปเปิดประตูให้ดูรู้แน่แต่ทำไมหนังตามันหนักดึ่งเหลือเกินเนื้อตัวก็เหมือนถูกทวงด้วยท่อนเหล็กจนแทบขยับไม่ไหวได้ยินเสียงโครมแล้วชายกำยำก็พลันพลวดเข้ามาเฮ้ยผมคิดว่าร้องออกไปด้วยความตกใจแต่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองแม้แต่นิดเดียวเห็นหญิงสาวผมยาว นุ่งสะโรงดอกหนาเพ่นออกจากเตียงพร้อมๆกับชายนั้นเชียงดาดุเดือดพลางเงื้อมีดขึ้นจ่วงอกหญิงสาวอย่างเยี่ยมเกลียมผมพลิกตัวจนหล่นพลักตกเตียงตอนนั้นเสียงแผดร้องโหยหวนชวนสยองดังลั่นห้องเลือดแดงฉานพุ่งกระฉูดราวกับน้ำพุสะโรงดอกหนา หลุดลุ่ยกองกับพื้นสะโพกห น, นหนาและท่อนขาอวบขาวมีเลือดแดงๆไหลย้อยลงมาขณะที่ชายนั้นเหงื่อมีดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ก็ซวกหลงที่รวงอกตัวเองจนมิดด้ามผมอ้าปากค้างตะลึงงนันเมื่อชายหญิงคู่นั้นหันขวับมาหาผม เหมือนเพิ่งจะมองเห็นร่างอาบเลือดและแววตาคุ่นขวางที่จ้องมองเล่นอะผมแทบสติแตกในตอนนั้นนรกเป็นพยานร่างอุบาททั้งสองก้าวเข้ามาหาช้าๆขนาดที่กลิ่นเลือดขาวคละคลุ้งจนแทบขย่อนผมอยากจะเพ่นหนีแต่ก็ลุกไม่ไหวไดแต่ตะ ก, กายหนี ถอยหลังตาเหลือกหลานด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแต่ร่างหญิงชายจากอเวจี v G, ก็ยังก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาไม่หยุดยัง้งสุดจะทนทานได้แล้วผมรู้สึกเหมือนสมองกำลังระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงร้องตะโกนแทบคอแตกแต่ได้ยินเสียงแววๆเท่านั้นเองก่อนที่สรรพสิ่งจะวูบวับดับหายไปในพริบตา สะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกพลวดขึ้นนั่งตัวสั่นเทาหอบพักหั ก, หกรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นกระทบโพงอกเหนืออาการแตกพลักเต็มหน้าผากสองแก้มเปียกโชกด้วยน้ำตาเหมือนกำลังตกอยู่ในความฝันไม่มีผิดรีบพุนพลันออกไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำรวมแล้วผ่นออกจากโรงแรมตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่นั้นมา ผมไม่กล้าไปนอนโรงแรมที่ไหนคนเดียวอีกเลยไม่อยากเจอเหตุการณ์เหมือนในคืนนั้นอีกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ